เทศอบรมพระวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2523เทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้ฟังแล้วดีถึงฐานกันนี้หนักแน่นดีสำหรับพระกล่าวถึงอานาปานสติถึงวิปัสนา ไปตลอดสุดขีดกล่าวถึงงานของพระถือการภาวนาเป็นงานเลิศจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มี ันใดที่จะมีความละเอียดยิ่งกว่าจิตแม้จะอยู่ในอำนาจของสมมุติก็ยังมีความละเอียดอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนยิ่งพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้ว ยงแต่รู้เท่านั้นจะพูดออกมาในแง่ใดมันเป็นเรื่องสมมุติจะทั้งหมดพูดไม่ได้นักปราชท่านจึงแยกออกมาเพราะโลกอยู่ในสมมุติมีสมมุติทำไม่แยกออกมาเป็นสมมุติก็เข้ากันไม่ได้นู่นเห็นนี้ท่านจึงแยกออกมา เช่นว่านิพพานเป็นต้นให้ชื่อธรรมชาติเห น, นั้นแหละสาอุปาทิทเสสานิพพานได้นิพพานทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ยั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่อนุปาทิเสสานิพานพานผ่านจากธาตุขันไปเรียบร้อยแล้วหมดความรับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวกับสมุดสมุดโดยประการทั้งปวงอันเรียกว่าอนุปาทีเสสนิพานสุดท้ายก็ว่าท่านไปนิพานน่ะแต่ธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อให้นามนั้นไม่ได้เข้ากันกับคำเหล่านี้ได้เลยคำว่าเช่นนี้ผู้ฟังจะเข้าใจผิด ผู้ที่รู้ในความเป็นนิพพานของตนเท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันองค์จะไม่มีข้อยแย้งกันเลยที่แยกออกมาเช่นนั้นก็เพราะโลกนีสมมุติดังที่กล่าวแล้วเพียงอยู่ในธาตุในขันขณะที่ไม่ใช้ธาตุขันคือขันห้านี้ระงับเสียให้หมด เพืนท่านเข้าสมาธิสมาบัติคำว่าสมาบัติก็ยังเป็นสมมุติสมาธิก็เป็นสมมุติแต่ธรรมชาติที่เป็นวิ ม, มุตนั้นอาศัยอันนี้อยู่เข้าสู่อันนี้แล้วระงับสมมุติทั่ ว, วไปหากเหลือก็เหลือแต่ชื่อว่าสมาบัติเพราะระงับขัน นั่นจะเห็นได้ชัดเจนว่าโล ก, กธาตุนี้ไม่มีเลยในขณะนั้นเพราะอาการของจิตไม่แสดงออกสู่สิ่งใดให้เป็นอารมณ์แม่น้อยไม่เหลือตั้งแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงพูดไม่ได้เลยว่าเหมือนอะไร ผู้ที่สิ้นแล้วเท่านั้นเป็นผู้จะทราบได้อย่างชัดเจนแต่จะนำออกมาสู่สมมตินั้นแล้วแต่อุบายวิธีของท่านผู้ใดจะนำออกมามาได้ด้วยวิธีใดตามความสามารถฉลาดแหลมคมของแต่ละองค์งที่จะนำออกสู่สมมตุติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความฉลาด ในความม่สุดนั่นเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัวแล้วผู้ว่าชลาดพูดว่างูไม่ได้ไม่ใช่วิสัยจะไปพูดกับธรรมชาติงนั้นการพูดว่าฉลาดแหลมคมเป็นต้นของปราดชั้นนี้นั้นเราพูดตามภูมิวิสัยวาสนาของท่านที่จะนำทมออกไปประกาศ สอนโลกได้กว้างแคบมากน้อยต่างกันอย่างไรนี่เป็นภูมินิ้สัยวาสนาที่นำธรรมออกสู่สมมุตส่วนทำไมมุดซึ่งเป็นสมบัติของท่านนั้นไม่ต้องพูดและพูดไม่ได้ว่าท่านงูหรือท่านฉลาดเพราะเป็นธรรมาชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแล้วนี่ด้วยเหตุนี้เอง บรรณาพระกินาศท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจึงต้องอาศัยสมาธิสาวัติเพื่อระงับระหว่างขันธ์กับจิตให้อยู่สะดวกสบายเป็นครั้งคราวไปจนกระทั่งถึงวั น, นิุพาด้วยเหตุนี้สมถะกบิปัจนาจะเป็นของพระกินาศหรือเป็นของผู้กำลังดำเนินก็ตาม เพื่อความเป็นพระกีนาสกย่อมมีความจําเป็นเช่นเดียวกันเป็นแต่ว่าจําเป็นไปผลในงแง่เท่านั้นเองผู้ที่กําลังดำเนินเพื่อความสิน้นเพื่อความพ้นทุกเป็นผู้มีเกีรตนาหวังอาศัยสมถาวิปัตนานี้เป็นแนวทางเดินจริงๆแต่ท่านผู้สิน้นกิเลสอาสวะแล้วนั้น ท่านไม่หวังอาศัยเพื่อความสิ้นอิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นแต่เพียงว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับกิิตให้เหมาะสมกันตนถึงอายุไขเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างขันธ์กับกิิตที่ครองกันอยู่ทำานั้นพอผ่านจากนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมสมุติ ก็เป็นอันว่าผ่านไปหมดไม่มีเหลือธรรมนี้เราเคยได้เห็นแต่ในตำรับตำลาที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินและรู้กันมาโดยลำดับได้มาประกาศสอนโลกเราจึงได้ยินแต่ชื่อแต่นามแห่งสมาธิสัมัติตลอดวิธีการกำจกัดกิเลสถึงความ บริสุดบิมุตพนิพานแต่ทำเหล่านี้ยังเรายังไม่สามารถอาจเอืองที่จะเข้าถึงได้เป็นสมบัติของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มขั้นผูมตึงต้องอาศัยความพยายาม ตามหลักศาสนาที่ทรงสั่งสอนไว้นี้ยาได้ปลีกแปะจากทางดำเนินของพระและสาวกที่ท่านดำเนินมางานของพระผู้ต้องการความพ้นทุกนั้นเป็นงานที่หนักแน่นหรืออย่าเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ต้องใช้ความาพักเพียรความมุสาพยายาม ใช้สติปัญญาศรัท ธ, ธาความเปลี่ยนเอาอย่างมากผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทำกันเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรดื่มและควรสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้ความภาคเพียรของเราเป็นอย่างไรบ้างพอที่จะเข้าร่องรอยแห่งเช่นทางที่พระาศาสดาและพระสาวกท่าน ดำเนินไปแล้วได้บ้างเล็กน้อยเพียงไร ห, หรือได้เป็นที่ภูมิใจเพียงไรจึงควรสำนึกเสมออย่าลืมตัวงานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับผู้ต้องการความพ้นทุกยึ่งไม่ควรถืองานสินใดงานใดมาเป็นอารมณ์เครื่องกีดขวางจิตใจหรือว่ามาเป็นใหญ่กว่างานนี้ซึ่งจะทำให้งานนี้ล้มเหลวไปได้ งานขอ ง, ของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือ ง, งานบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจและยิปัจจนาธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทนตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ภายในหรือนับแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในนับแต่ภายในออกไปสู่ภายนอกให้ทะลุบูรปร ตลอดทั่วถึงกันไปหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมุติอันมีอยู่ในโลกสมมุตินี้จิดได้ผ่านพ้นไปด้วยคำที่เลียวฉลาดแหลมคมของตนคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่ครอบวิธีการดำเนินไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทุกมมแล้ว ศีน <c oughs> นั้นเป็นธรรมประเภทอยางท่านเรียกว่าศีนความจริงก็คือถักเบื้องต้อนอาศัยการบังคับบัญชาให้อยู่ในสิกขาบทคือข้อห้ามนั้นๆไว้ก่อนข้อห้ามนั้นๆก่อนนับตั้งแต่ศีนห้าขึ้นไปโดยลำดับมีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นไม่มีข้ออนุญาตเราดพยายาม ปฏิบัติหรือบังคับจิตใจการวาจาของเราให้เป็นไปตามข้อห้ามนั้นๆโดยลำดับลำดบาบในในขั้นนี้ต้องได้บังคับตัวเองให้เข้าสู่ข้อธรรมข้อห้ามประเภทนี้ที่ท่านเรียกว่าศีลสมาธิก็ให้บำเพ็ญที่เรียกว่าสมขะ เพื่อความสงบใจด้วยการเดินจงกรมมีสติกำรรกับกับงานของตนที่ทำผู้ใดทำมีงานอะไรเป็นอารมณ์ของตนเช่นคำบริกรรมหรือกำหนดทำแง่ใดเป็นอารมณ์ในขณะที่ต้องการความสงบจิตมี ความสงบเยือกเย็นและเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาภายในตนพึงทาอย่างเอาจิงเอาจังศรัทธาวิริยะนั้นังสติมีความเข้มแข็งอยู่ภายในนั้นแต่ยังไม่ใช้ปัญญาในขณะนั้นก็ศรัทธาวิริยะสติเป็นสาคัญ กำกับงานของตนด้วยดีอย่าปล่อยให้เผอแล้วถูกกิเลสถุดลากจิตส่งไปในแง่ต่างๆแล้วก็ไปกรอบโคยเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตนซึ่งผิด ก, กับความมุ่งหมายของผู้ต้องการความสงบเพื่อจะมัดกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมแล้วฆ่าด้วยปัญญาไปเสีย จงถือเป็นข้อหนักแน่นยาได้อ่อนแอนในความภาคเพียรเพื่อความสงบใจคำ ว, ว่าศีนก็เป็นสมบัติของเราผู้บวชแล้วด้วยการไม่ทำลายศีไม่ฝ่าฟืน้นศีนท้องตนสมาธิเมื่อบำเพ็ญยูโดยสม่ำเสมอด้ดยความตั้งอกตั้งใจมีสติมีวิริยะความภาคเพียร usaha พยายาม ระคับประคองจิตใจของตนซึ่งลุมล่ ม, ล, มล้อมไปด้วยที่เดกตัญหาสะซึ่งเป็นกองไฟทั้งกองนั้นให้เข้าสู่ความสง บ, สงบอันเป็นจุดแห่งความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายคำว่าสงบนั้นมีหลายประเภท 95% ้าห้าเปอร์เซ็นตมี ความสงบเย็นลงไปธรรมดาธรรมดาค่อยยุบค่อยอตล่อมกระแสเข้ามาตล่อมกระแสเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวอยู่โดยเฉพาะภายใน จ, ใจิตใจอย่างนั้นก็เป็นความรู้ที่เด่นอยู่ในตัวเองความคิดเล็กๆน้อยๆ ย, ยังเป็นไปได้อยู่ในจิตที่มีความสงบนั้นแต่ไม่ได้คิดกระจายออกไปสู่อารมณ์พอที่จะสั่งสมเรื่องราวขึ้นมาเท่านั้น นี่9ก้าสิบ้าเปอร์เซ็น์มักเป็นเช่นนี้แต่ห้าเปอร์เซ็นนั้นวารวมรวมจริงๆเหมือนคนตกเหวตกบ่อลงอย่างผาดโผนอย่างรวดเร็วเวลาถอนขึ้นมาก็ดีหรือเวลาออกรู้สิ่งนั้นสิ่งดีมากจะเป็นจิตประเภทห้าเปอร์เซ็นนี้ออกรู้ถ้าสติปัญญาตามไม่ทันก็มีทางเสียได้ พอไปรู้สิ่งต่างๆซึ่งตนไม่เคยรู้และส่วนมากเราเคยเชื่อกิเลสสิ่งห์พาให้งมงานมานานอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมากจะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเรียกว่าวิปัสนูในสมาธิก็ไม่ผิดเราอย่าว่าวิปั ส, สนูของกิงกเลสที่หกนั่นเลยความสว่างไม่ได้สว่างอยู่ภายในยจิตแต่มันสว่างไปข้างนอก ไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นสิ่งต่างๆบางทีก็เหมือนดวงเหมือนดาวเหมือนตะวันตกลงมาอยู่ตรงหน้าเปิด ค, ความสว่างเป็นดวงเท่าผลมะพร้าวเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วตังแต่เป็นอาการของกิจที่ออกจากกิจนี้ไปสแสดงเปวกขึ้นมาให้จิตซึ่งไม่สัมผัสจัดเจนกับสิ่งเหล่านี้ ในลุ่มหลงแล้วตะครุบเงาของตอนไปมีซึ่งเป็นเกิดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้โดยไม่สงสัยในห้าเปอร์เซ็นตนี้ไม่ค่อยวิตกวิจารณสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายสําคัญที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตก็คือพวกเราเราท่านท่า น, ท, น, ท, นทั้งหลายเราอย่าไปคํานึงถึงเรื่งความสงบของท่า น, น, นปุณณ์เป็นอย่างนั้นความสงบของท่านปูณณีเป็นอย่างนี้ อยากเอาอย่างท่านหรืออยากเอาอย่างเขามาทำเราเป็นคนหนึ่งงานของเราเป็นงานหนึ่งเราเป็นผู้ทำงานของเราเองผลอย่างไรจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นโดยลาพังเราเองไม่ใช่เราจะนำผลของคนอื่นมาเป็นผลของเราไม่ใช่เราจะเอาความรู้ความเห็นของคนอื่นมาเป็นความรู้ของเรา มันขัดแย้งกันจึงไม่ควรไปสนใจกับเรื่องความรู้ความเห็นของผู้ใดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นของตนที่จะเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนด้วยความถูกต้องคือความมีสติตประคัประคองไว้โดยดีนี่เป็นหลักสาคัญสงบแบบไหนก็รู้อยู่ภายในใจอย่าประวิตกวิจาร์ทันว่าสงบแนวลงไปเลยนี่ก็จะไปคาดไปหมายเอาเสียว่าแนวลงไปเลย นี่ก็เป็นตัวสัญญาหลอกเจ้าของไม่ใช่ความจริงสงบคำมาในอาการใดด้วยความมีสติดูในหลักปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนแท้เป็นริ่งที่ตนรู้แท้เห็นแท้ปากฏในจิตใจของตนด้วยการภาวนาของตนแท้ๆนี่เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าไ ป, ปเป็นกังวลกับ เรื่องเหตุเรื่องผลของผู้อื่นใดแล้วนําเข้ามาเทียบเคียมกับของตนและเอาอย่างปูนั่นปูนั้นโดยความคาดหมายจะเป็นความผิดและไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความกังวลให้เ่ตุแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์เลยขอให้จิตใจมีความสงบด้วยการภาวนาผู้กําหนดอนาปานสติกก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาอันใด มุ่งให้รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเข้าออกตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าลมสัมผัสมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นให้ทำความรู้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ต้องคาดหมายสูงต่ำใกล้ไกลภายในภายนอกนอกจากกาหนดรู้อยู่เฉพาะ ลมที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี้เป็นความถูกต้องแล้วการตั้งลมมีกลมายาอันหนึ่งที่จะหล่อพวงผู้ปฏิบัติให้ตั้งแล้วลมเหล่าตั้งแล้วลมเหล่ามีเช่นกําหนดลมอยู่เพิ่มเพลินเพราะไม่เผือสติตั้งถ้าตั้งทาง ดูลมอยูอย่างนั้นลมเข้ารมออกที่มันทนี่ความปรากฏในจิตนั้นเมื่อตั้งปนานานจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าฐานที่เราตั้งลมนี้แต่ก่อนเราตั้งไว้ที่ดั้งจมูกบัดนี้ปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าดั้งจมูกบ้างหรือจะดั้งจมูกพาให้สูงขึ้นไปบ้างแล้วต่ำกว่าดั้งจมูกบ้างหรือดั้งจมูกพาให้ต่ำบ้างอย่างนี้ แล้วก็มาตั้งใหม่พอดำเนินไปดาเนินไปถึงจุดที่มันเคยเป็นมันก็หลอกอีกก็มาตั้งลมอีกตั้งไปทั้งมาเหมือนกับปลูกต้นไม้พอจะขึ้นแล้วก็ย้ายปลูกใหม่ย้ายปลูกใหม่สุดท้ายต้นไม้ก็ไปไม่รอดต้องตายมีการตั้งลมประเภทนี้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจเพื่อความถูกต้องไม่สงสัยก็เราถือเอา การตั้งลมเบื้องต้นคือตั้งที่ตั้งจมูกลมผ่านเข้าก็รู้ลมผ่านออกก็รู้แต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปตามลมออกไปทาเหมือนบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูคอยดูคนที่เข้าออกประตูเท่านั้นไม่ตามเข้าไปข้างหนเวลาคนผ่านเข้าไปคนผ่านออกไปก็ไม่ตามเขาไปแต่ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้ อยู่อย่างนั้นเป็นประจำนี่การตั้งลมก็เหมือนกันเช่นนั้นด้วยความมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้มันจะมีความสูงต่ำขนาดไหนไม่สําคัญสําคัญที่ไม่ให้เผลอความสัมผัสของลมเข้าลมออกนั้นนี่เป็นของสําคัญให้รู้จุดตรงนี้ตรงนี้จะสูงกว่าตามจะต่ำกว่าตามเมื่อไม่เผลอแล้วเป็นอันใช้ได้ ไม่ต้องไปกังวลกับความสูงความต่ำเพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความสูงความต่ำแม้ที่สุดการภาวนาด้วยลมหายใจนี้เราก็ไม่ได้เอาหลมอันนี้เป็นเครื่องยึดเป็นอารมณ์ของใจในเมื่อยังตั้งตนไม่ได้ตั้งหากเราจึงต้องอาศัยลมเมื่อกําหนดลมพอจิตสงบเข้าไปจิตสงบเข้าไปลมนี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเพียงไรก็ให้รู้ ยาไปคาดไปหมายให้รู้ในหลักปัจจุบันแล้วสุดท้ายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วลมนั้นเลยหายเงียบไปเลยไม่ปรากฏแต่ว่าเราเผลอเราไม่ได้เผลอเห็นความละเอียดของลมประเดิมดับเปนแบบจนกระทั่งลมหายไปเลย นี่อันหนึ่งก็จะเป็นเหตุสร้างอุปสรรคให้แก่ตนเองถ้าเรารู้ไม่ทันเหตุการณ์ของใหม่เมื่อลมหายไปนั้นจะมีวิตกอันหนึ่งกต็ตกขึ้นมาหลอกตัวเองว่านี่เมื่อลมหายไปแล้วนี่จะไม่ตายหรือนั่นอันนี้สร้างอุปสรรคให้ตนเดงแล้วลมก็กลับมีมาเพราะจิตถอยตัวออกมาแล้วเผลอแล้วนี่เพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ขาดลงไป ได้ดำเนินเพื่อความสะดวกตามวิธีการของเราในหลักปัจจุบันพึงทําความเข้าใจกับตนหรือกับลมว่าแม้ลมจะหายไปก็ก็ตามเถอะเมื่อความรู้ยังครองล่างอยู่นี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาได้และ้ละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบสิ่งที่ไม่หายคืออะไรคือความรู้ที่เด่นดวง อยู่ภายในจิตนั่นเอาตรงนั้นทีนี้ลมไม่ลมไม่สาคัญเพราะยึดจิตชงตัวได้แล้วเข้าถึงตัวจริงคือจิตแล้วลมอันเป็นเงาเพื่อตามจิตเข้าไปนั่นมันก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปไม่สาคัญเพราะเราตามรอยโคก็เพื่อจะ จับโคตัวนั้นต่างเราไม่ได้ตามโโคไปเพื่อจะเอารอยโคนี่ก็เหมือนกันเที่นั้นนี่วิธีการทําความสงบแล้อจะภาวนาบทใดก็ให้มีความรู้อยู่กับบทนั้นเท่านั้นแล้วการภาวนานี่จะเหมือนเหมือนกันเมื่อลงท้ายแล้วจะเหมือนเหมือนกันเช่นคําบริกรรมนี่ก็เหมือนกันมีความจําเป็นอยู่ในขณะที่ปิดยังตั้งตัวไม่ได้จิดยังไม่สงบตัว พอสงบเข้าไปสงบเข้าไปคําบริกรรมนั้นกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วคําบริกรรมก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับลมหมดปัญหาไปกับใจนั่นเองนี่ให้ทําความเข้าใจเอาไว้นี่คือความจริงเป็นเช่นนี้ในวิธีการภาวนาเพื่อสมถะคือความสงบใจเราอย่าเอ็นนู้นเอ็นนี้เอาผลของคนนั้นมาเทียบผลนี้เอาผลของท่านมาเทียบของเราเอาเหตุของท่านมาเทียบของเรา เหตุของเราก็คือเราทำอยู่เวลานี้แหละที่เหตุจะให้สมบูรณ์ก็คือมีสติเหตุจะสมบูรณ์ได้มี่การภาวนาหลักของสมถะอธิบายเพียงหัวข้อให้ตีความหมายเอาตามความรู้สึกหรืออุบายวิธีของตนนี่เมื่อเราได้ทำเช่นนี้ ความสงบที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นเวลากี่พันปีมาแล้วก็ตาจะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความปรากฏต็้จักรในผลที่เราบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เวลานี้เลยหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้มีท่านว่ากิจสงบในขณะที่มีความสงบก็ พรจิตให้มีความสงบอยู่กับนั้ น, นเวลาจิตพอตัวอยากจะขยายตัวออกมาสู่ความคิดอ่านต่างๆก็ให้คิดไปทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายในสกุลกายนี้ก็ได้เหลือพิจารณาสกุลกายภายนอก เพียรก็เรื่องอสุภะอสุพังเป็นสำคัญสำหรับนัก บ, บวชเราที่จิตยังหาความสงบไม่ได้หรื อ, อยังไม่เข้าใจแจ้งชัดในสิ่งเหล่านี้การพิจนารณาเื่ออสุภะเป็นของสำคัญมากเพื่อระงับราคะตัณหาลงได้นอกจากระงับแล้วยังต้องทำลายได้ด้วยมีปัจนนา แปลว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธาตุของขันธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ขันก็คือขันห้าได้แก่รูปประขันเมทนาขันสัญญาขันฉังขานขันวิญญาณขันซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้อีกเช่นเดียวกันให้เห็นแจ้งตามความจริงของขันนั้น ความเห็นธรรมดาของเราที <interpret ations> ่เ <Ugh>, ห <Kay. S 1> ็นนี้มันเห็นไม่แจ้งเห็นด้วยอํานาจของอวิชชาปิดหูปิดตาให้เห็นเห็นด้วยความปิดหูปิดตากับเห็นด้วยความเปิดตานนั้ต่างกันอวิชชาพาเห็นพาให้รู้ดังที่สามัญชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินในฝั่งทั่วไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของอวิชชาพาให้รู้ให้เห็นแต่สติปัญญาพาให้ด้วยเห็นนี้ให้เห็นแจ้งลงถึงหนักความจริงจริงๆ เช่นเห็นเป็นอรุภะก็เป็นอรูปะจริงๆประจักษ์กับใจพิจารณาจนรู้จนเห็นเพราะสิ่งนี้มีในร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆทําไมจิตเป็นตัวรู้ตัวฉลาดเป็นผู้สามารถที่จะรู้เห็นจึงไม่เห็นเป็นเพราะเหตุอหไถ้าจะรู้ว่าเป็นธาตุก็ในธาตุสีก็มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาธาตุสีนี้มีประจําทําไมจึงไม่เห็น พระพุทธเจ้าท่านทำไมเห็นสาวกทั้งหลายท่านทำไมเห็นท่านเห็นด้วยวิธีการใดท่านเห็นด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาคัดควรหรือสอดส่องลี่คลายอยู่เสมอย่อมสามารถรู้ได้เห็นได้จนผ่านพ้นไปได้เราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิตตถาคกต้องดำเนินตามหลักที่ท่านทรงสั่งสอนหรือท่านดำเนินไปนี้ทาไมจะไม่รู้สิ่งมีอยู่กับตัวแท้ๆนะ่ะ จะต้องรู้ต้องเห็นแยกกระจายออกไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อถลกหนังออกไปดูให้เห็นชัดเจนความจริงเป็นอย่างนั้นผิวภายนอกเป็นอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหลอกตาบุดตาฟางได้อย่างไปจับทีนี้ภายในของหนังนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องได้ดูด้วยปัญญาภายนอกถ้าดูด้วยปัญญาแล้ว มันกม็มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้เพราะสิ่งโสกปลกโซมมมันก็เต็มไปตามผิวหนังนี่แล้วท่านบอกขี้ใครนะั่นบงีขี้มันเป็นของดีเมื่อไหร่ขี้สนิมเต็มตัวต้องช้าต้องล้างต้องอาบเช็ดถูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่กังวลในการปฏิบัติรักษาชำระ ล้างยิ่งกว่าร่างกายที่มีอยู่ในตัวสิ่งที่ได้ก็ตามแม้จะสะอาดสวยงามเพียงไรเมื่อเข้ามาถ้าข้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปติกูลนี่แล้วก็ต้องกลายเป็นของะติกูลด้วยกันเช่นสถานที่อยู่ผานุ่งห่มสบงกีวอดต้องได้ซักได้ฟอกต้องเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่ได้เหม็นครุ่งไปหมด เพราะตัวนี้เป็นตัวการหุ้มห่อ้างผีดิบนี่ไว้เมื่อนาบายหรือซึมชาบออกมาสู่ภายนอกออกมาตามเหงื่อตามใครเรื่องของส่งก็ปรกอยู่ภายในเมื่อซึมชาบออกมาก็าต้องกลารเป็นของปฏิกูลติดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มใช้สอยทั้งหลายให้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวตามๆกันไปหมดจึง ต, ต้องได้ทำละสาสางซักฟอกอเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลา เทียบเทียมให้เห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างนี้แล้วก็เอาย่นเข้ามาอีกถึงหนังหนังหุ้มหอ่อตจาจระเปลี่ยนโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหรือมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่คือสิ่งที่หลอกสัตว์โลกให้สําคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจนี่สิ่งหลอกมีบางๆเท่านี้เอง แล้ที่นี้ถลกออกมาเอาด้านภายในของหนังออกมาข้างนอกเสียภายนอกออกเข้าไปข้างในเสียที่นี้เราจะเห็นตั้งแต่ความเยิ้มไปด้วยความอรุภะหรือผังคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าน่ากําหนัดจินดีหายไปหมดเมื่อสติปัญญาได้อย่างทราบถึงหลักความจริงนี้แล้วต้องเกิดความสดสังเวชเกิดขนพองสยองกล้าขึ้นมานี่เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉย เวลามันเห็นจริงๆเห็นอย่างนั้นเกิดความพลดสังเวชโอ้โหถึงขนาดนี้เดียเอเลยเพิ่งมาเห็นของปฏิคูลเพิ่งมาเห็นร่างกายวันนี้เด้อบวชมากี่ปีกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วันทําไมจึงเพิ่งมาเห็นวันนี้จริงนี้เป็นของที่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนนั่งไหวทาไมจึงมาเห็นกันดี๋ยวนี้อ๋อท่านเห็นอกายหรือว ก, กายายนุ ป, ปัสนาท่านเห็นอย่างนี้เองเชื่อเลยเพราะมันประจักษ์ใจของเราอยู่แล้ว ถ้าจะลบล้างความเป็นของท่านที่สั่งสอนเรามานั้นเราต้องลบล้างความจริงของเราที่รู้ที่เห็นอยู่บัดนี้เสียนี่เราจะกล้าลบล้างได้ไหมความจริงที่รู้เห็นอยู่เวลากับท่านที่สั่งสอนมาก่อนรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสั่งสอนพวกเรามันเป็นอันเดียวกันเมื่อลบล้างอันนี้ไม่ได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นแะพระสาวกทั้งหลายไม่รู้ได้เห็นอย่างไรสั่งสอนอย่างไร จงกรทั่งถึงท่านละท้ายยอมรับกันไปหมดโดยลำดับ้งดับความรู้ของเรามีปรากฏขึ้นเพียงไรยอมรับไปโดยลำดับนี่แยกกันออกอย่างนี้การพริจารณาอสุภะทาาขันทางด้านนิปััสนาคือปัญญาบางครับจิตใจให้รู้ให้สอดส่องไปตามมีสติควบคุมงานสติต้องเป็นนายหัวหน้าตั้งทัพให้จิตทางานคือปัญญาในขั้นนี้ ยังไม่เห็นผลแห่งการพิจารณาของตนจึงมักจะทะเลถลายกลายเป็นสั้นยาอยู่เสมอแต่เมื่อมีกิตได้รับความสงบบ้างแล้วออกมาพิจารณาพอได้ถ่อได้ความแต่นั้นกับพิจารณาอ้าวเข้าไปจนออกจากหนังแล้วเข้าไปหาเนื้ออ้าวสมมุติขึ้นมาเพราะเราติดสมมุติไม่สมมุติแก้สมมุติจะทําอย่างไรล่ะฮนี่มันสมมุติทั้งนั้นว่าสวยว่า ง, งามก็ตั้งเอาเสกสรัรเอา ทนี้เราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จะไปว่าสมมุติสมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองได้ไหมไม่หลอกเรื่องของปัญญาทัปปินา์ความจริงต้องตั้งขึ้นมาดูอไปถึงเนื้ออา้าวเวลาคนตายแล้วกี่วันมันจะแสดงความเน่าพองขึ้นมาเพียงสองวันเท่านั้นก็เห็นได้อย่างชัดๆแล้วไม่ต้องพูดมากเลยนะ สี่สิบปดชั่วโมงก็เห็นได้ชัดแล้วเน่านาพองอืดขึ้นอืดขึ้นมาจากนั้นกอลระเบิดปังออกมาแตกเขาจัดกระจายล้วนแน่ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งร่างนี้เลยนี่สวยตรงไหนงามตรงไหนน่ารักใครชอบใจงั้นเาที่นี่เข้าไปนอนกอดดูสิกอดได้ไหมเนี่ยซากผีตรงนี้ภายในซากผีนี่มีอะไรอาหารใหม่อาหารเก่ากับ เนื้อหนังบางสังทั้งหลายนี้มันกลายเป็นของปฏิกูลเหมือนกันไปหมดแล้วไม่มีเกาะใดดอนใดที่จะเป็นสิ่งที่น่าแตะต้องสัมผัสสัมพันธ์เลยเต็มไปด้วยสยิ่างนี้ทั้งนั้นจากนั้นก็เป่วยลงไปเป่วยลงไปโดยลําดับตําดาเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกอันนั้นก็เป่วยลงไปเหม็นครุ้งไปหมดดูไม่ได้เลยนี่หรือสัตว์นี่หรือบุคคลนี่หรือเรา นี่หรือเขาเป็นอย่างนี้หรือนี่พินาอย่างลงไปอย่างไปทายจิตมันยิ่งซึงซ้งซึง้งซึ้งลงไปโดยลำดับนับเกิดความสรุปสังเวชโอ้โหน้ำตามันล่วงลงเรยไม่รู้สึกตัวไม่กังวลเอาร่วงก็ล่วงส่วนสติปัญญาที่เดินตามแถวตามแนวที่ตนกำลงังพิจารณาเป็นไม่ลดละจนกระทั่งร่างกายทั้งหลายนี่กระจายไปหมดเป็นดินเป็นน้าเป็นลม เป็นไฟให้เห็นได้อย่างชัดชไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามถ้าตุถนัดในธาตุใดให้พิจารณาธาตุนั้นจะวิ่งทั่วถึงกันหมดอย่าไปพิจารณาว่านี่ธาตุดินเปนอย่างนี้แล้วธาตุน้ําเป็นไงแล้วธาตุลมเปไ็น ไ, ปไงอ่ะธาตุลมเป็นไงธาตุไฟเป็นไงอย่าไปสนใจมากยิ่งกว่าสิ่งที่ถนัดในการพิจารณาเวลานั้นนั่นเป็นสําคัญเพราะทําเหล่านี้เป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันดังที่ท่านว่าทุกสมุทัานิโรจมากอย่าเข้าใจว่าไปทํางานคนนั้นหน้าที่นะ ในภาคปฏิบัติแท้ๆไม่ได้ทํางานคนละหน้าที่ทางานในขนาดเดียวกันกรมคืนกันไปหมดทั้งสัจจะสีน่นี้และสติปัฏฐานสีเหมือนกันอย่างนั้นพอแยกเกลีก้ยงลงไปก็ดูกมันก็มองเห็นได้ชัดๆหลังจากนั้นแล้วกระดูกมันก็ค่อยกระจายตัวลงไปกลายเป็นดินเป็นธรรมชาตินี่ทีนี้ยังเหลืออะไรก็เหลือจากความรู้ทีนี่จิตมันจะสงบตัวละนะทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้ว ตอยจากนั้นแล้วก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นแต่อย่ามาคาดนะห้ามไม่ให้คาดให้พิจารณาดังที่ว่านี้ก็แล้วกันเมื่อพิจารณาตามสติกําลังของตนเป็นอย่างไรแล้วผลจะรู้เองไม่ให้คาดให้หมายซึ่งเป็นความผิดจากรักหลักปฏิบัติในปัจจุบันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทีนี้เวลาเราพิจารณาวันหลังอีกอย่าไปคาดแต่หมายอีกนะ ให้ตั้งใหม่หาเอาใหม่สติปัญญาของเรามีหาเอาใหม่ยาไปเอาสติปัญญาเก่ามาใช้ถ้ามันไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับเองถ้ามันเกิดขึ้นเองสัมผัสสัมพันธ์กับเองนั่นเรานํามาใช้ได้ถ้าเราไปคว้าเอาสติปัญญาเอาปัญญาอันเก่าที่เรามาใช้เมื่อวานนี่เราทํานี้วันนี้เราจะต้องทํานี้ให้เป็นแบบไปตามแบบแปลนแผนถังอันนั้นนั่นนั่นมันเป็นโครงการของโลกไปแล้วนะมันไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติในปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นการถูกต้องกับหลักปฏิบัติจริงๆเราต้องทําอย่างนี้ อา้าวสติปัญญามันขีดขึ้นมาได้ขีดขึ้นมาได้เรื่อยๆวันหนึ่งสแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งสแสดงอาการดังหนึ่งขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วต้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมให้เกิดความเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายอุปทานความยิดมัน่นถึงมันงงงง่นไปโดยลําดับลาดับนี่เรื่องปัญญาเวลาพิจารณาเนี่ยอ้าวทีนี้เวลาจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้ดําเนินตามที่ว่านั้ะเรียมพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็ เป็นสมาธิอันละเอียดขึ้นมาแล้ว่สงบแน่วเลยทีนี้ต่อยกังวลโดยประการทั้งปวงมีความกระหยิ่มอ ง, ง์อาจก้าหาญภายในจิตนี่สมาธิที่เป็นขึ้นด้วยอํานาจของปัญญานี่ขึ้นเป็นความมองอาจกล้าหาญขึ้นมาอีกประเภทหนย่งแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่วิธีการพิจารณานี่หละงานของพระให้พากันดําเนินงานนี้อย่าหนีจากงานนี้ งานนี้แหละคืองานที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะอั น, นเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสําคัญผิดหลงงมงานในธาตุในขันอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามาตั้งแต่กับไหนกันในเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักขันนี้ก็บติดกันมาพันกันมาว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีใครมีความรู้เหนือใครเลยมีความรู้ที่จะต้องมาแบกขันหน้าด้วยกันว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันหมดแต่อุบายวิธีที่กล่าวนี้เป็นอุบายของสัตว์ สดาองค์เอกจงสั่งสอนไว้เพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยวิธีการที่ทรงดําเนินมาด้วยสติปัญญาจึงต้องนํามาสั่งสอนโลกในพวกเราก็ลูกทิฏถาคตเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นอันใดวิเศษวิโสยิ่งกว่าจิตใจนี่เลยเวลานี้จิตใจกําลังเป็นนักโทษถูกคุมขังด้วยด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆกระดกตัวไปทางไหนเมืตั้งแต่ ทีเล่ตัณหาเป็นนายคุมออกไปให้ไปทํางานท้ายนอกทํางานไกลก็ตามไกลก็ตามทำงานทํางานในเรือนจําก็่าตามมีตั้งแต่นายคุมบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นอิสระของตนเลยจึงต้องใช้สติปัญญาบุกเบิกออกแวกแนวออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสตัณหาสะาะประเภทต่างๆด้วยการพิจารณาทางด้านสติปัญญาให้มีความคล่องแคล่วชํชนานิชานาดด้วยการฝึกการ เอาจริงเอาจังกับเจ้าของอยู่เสมออย่าไปคุ้นไปเคยอย่าไปชินกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าชินทั้งนั้นมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดแม้แต่เรื่องในธาตุในขันทุกตนก็ยังจะต้องแยกมันออกด้วยการพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากขันนี้เราอย่าพูดถึงเรื่องของโลกในของในโลกทั่วๆไปเลยมันห่างไกลมากให้ตั้งลงไปที่ตรงี้ผู้ปฏิบัติมัน มีความาสัมผัสจัมพันกับอาการใดมากกว่าเพื่อนเอาเอาลงไปตรงนั้นเราอย่ากลัวผิดถ้าลงอยู่ในวงสัตจธรรมด้วยกันแล้วร่างกายจะเป็นอาการใดก็ตามคือสัตจธรรมด้วยกันแล้วมัน ก, ะกระจายกนันไปหมดทั่วสรรพ์่างกายนั้นจะเข้ามาเวทนาก็เอาเวทนาก็าต้องวิ่งถึงใจเมื่อร่างกายมันเป็นธาตุเห็นอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นอรูปภาพสุพังก็เห็นอย่างชัดเจนมาเป็นธาตุก็เห็นอย่างชัดเจน เวทนามันมาจากไหนมันเป็นถไาอย่างไงพี่จินมาอันนี้มันกลิกาเป็นของจริงเหมือนกันหมดสุขก็สัจจะปรากฏขึ้นมาทุกปรากฏสักจะปรากฏขึ้นมาเฉยเฉยก็สัจจะปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปดับไปสารสภาพของเขาเขาไม่มีความหมายในตัวเขาเลยไม่มีความรู้สึกตัวเขาว่าเป็นเวทนานั้นเวทนานี้ได้ให้ร้ายต่อผู้ใดเลยนอกจา ก, กจิตที่ตัวเข้าใจว่าฉล า, าดนี่นหละมันโ ง, ง่มันไปแบกทุกอา่าไปแบกเวทนาตั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเรา เราเลยกลายเป็นเวทนาไปเสียมันมันไม่เป็นตัวจริงได้เวทนาเป็นอนิจจทุกขังาตาอีทนี่ก็เลยกลายเป็นเข้าไปสู่กงจักให้เวทนานั้นผันหัวออกเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทุกวเวทนาแสดงอาการเนี่ยบอกไว้ชัดเจนสัญญานี่ละเอียดมากนะเราทราบทางวงปฏิบัติละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารสังขารเวลาจะปรุงออกมานี่แยบ ทำให้กระเพื่อมให้รู้มันมันมีความรู้สึกพอสังขารจะปรุงแยกมานี่จะเป็นความกระเพื่อมเหมือนกับมีอะไรผลักดันออกมาให้รู้นิดๆแต่สัญญานี่โ้โหเหมือนกับกระดาษซึมเทอะนะเหมือนกับน้ำํำซับน้ําซึมมันซึมไปเรื่อยจนปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วนู่นนะ่ะดูสิไอภาพเราปรุงแป๊บเดียวมันเป็นภาพนั้นเป็นอันหนึ่งนะที่สัญญาค่อยๆวาดภาพขึ้นมานี่มันละเอียดมากแต่ยังไงก็าตามให้ทราบวันนี้คือเงาของติดทั้งนั้น เราอยากไปหลงกับมันไม่ว่าจะเป็นภาพใดก็ตามมันเป็นเงาของจิตที่เคยมาดั่งเดินี่เราจะพิจารณาให้รู้ทั้งเงาให้รู้ทั้งตัวอย่างชัดเจนและปล่อยวางตามเป็นจริงหมุกสติปัญญาได้พิจารณาใช้อยู่นี้แล้วแล้วเราเล่าไม่หยุดไม่ถอยเวลาพักสมาสก็สสสสสสพักถึงเวลาใช้ปัญญาแล้วอยากกลัวเสียวเวลาในการพัก อย่าไปภาโพนในสมาธิเอาให้จริงให้จังมีอยู่ในวงปัจจุบันนัรนตอย่าให้คิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องความอยากพ้นทุกข์พ้นภัยไปไหนมาไหนอย่าคาดไปนอกเหนือจากตรงตรงที่ทุกกําลังบีบคั้นหัวใจอยู่นี้จะเปื้อนตรงนี้ออกตัวปัจจุบันนี้แนหะมันบีบบีเนีย่ยเปื้อนตรงนี้ออกมันก็พน้นเท่านั้นแหะพ้นทุกข์พ้นไปเดิมนับพ้นที่หัวใจอย่าเข้าใจว่าไปพ้นกับอดีตอนาคตพ้นต่ำ อยู่ในการในเวลาเวลาออย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเอาลงตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมพี่นาให้กินให้จห้มันเห็นแจ้งเห็นจริงเรามาหาธรรมเราไม่ได้หาอะไรให้ทำความเข้าใจตนให้เต็มที่ทีเดียวเวลานี้เรามาหาธรรมด้วยกันมาเสาะแสวงหาธรรมมาหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อจะ แนะแนวทางให้อุบายต่างๆแก่เราเพราะเราไม่สามารถที่จะดำเนินด้วยตนเองโดยวิธีหรือโดยอุบายต่างๆยิงต้องมาอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้อุบายวิธีการต่างๆในการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสหรือแก้ไขกิเลสหรือดำเนินเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมราบรื่นหรืองามจึงต้องมาอาศัยหลักใหญ่ก็คือเราต้องการทำเราแสวงหาทำตั้งแต่ ทำเบื้องต้นจนกระทั่งถึงทาสุดยอดเราต้องการอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าขอให้ทําให้ถึงใจเถอะเมื่อถึงใจแล้วคํามาการสถานที่มันจะหมดปัญหาไปทันทีเรื่องพบนั่นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เกิดที่นั่นตายที่นี่ซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนานเท่าไหร่แสนนานมันจะมาขาดชะบันลงในปัจจุบันแห่งความบริสุทธิ์ของกิตนี่น่ะเป็นผู้ตัดสินได้เอง ไม่มีผู้ใดจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกองใดไม่ใช่สาวกบ้านี่เพรา ะ, ะเหตุประทมของพระเจ้าพ่ะชาติทำสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเมื่อถึงขั้นสันติโกสันติโกเต็มภูมิแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าทํำไมความจริงมีเหมือนกันเสมอกันรู้อย่างเดียวกันเข้าใจแล้วไม่ต้องถามนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะปฏิพาณ น, นานเพียงไรก็าตามนั่นปักแต่วาการขององค์เท่า น, านั้น ที่สำคั์ก็คือว่าสวากาธรรมำนัตรับได้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วที่เราจะปฏิบัติดำเนินตามนี้เพื่อเหตุเพื่อผลสําหรับเราเองให้เราหนักแน่นตรงที่ตรงนี้อย่าไปคิดขาดคิดหมายแล้วให้เสียเวลาวลาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้น่ะส่วนมากเอาให้จริงให้จังไปนียอาชุภะอาุพังเป็นของสำคัญเอาให้จริงให้จังพิจารณาภายนอกเอาเทียบเทียงนะไม่ใช่จะพิจารณาภายในเอาภายนอกมันมีความกําหนัดยินดีในรูปใด เอามาตั้งไว้ถ้าว่าเรายังไม่แน่ใจตั้ ง, งห่างๆหายวิธีทําำไฟมาเผาดูบ้างอะไรบ้างกําหนดมันตายแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างที่เราเคยทําห้องเราเอาจนมันเห็นได้ชัดเจนเต็มที่แล้วกําหนดเข้ามาหาตัวเองลงแบบเดียวกันหมดแล้วจากนั้นกนโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดนานีน่ยโลกรีถูกมันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แหละมันแจ้งไปหมดคือมันเป็น ทำอันเดียวกันเป็นศาสนาทำเหมือนกันหมดเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็ต้องรอบไปหมดทั้งเขาทั้งเรามันเป็นเหมือนๆกันเ mm. นี่ยถึงจะหายสงสัยขันอันนี้แหละคันลําบากจะตะเกียกบตะการเรื่องการมมรรเหลือนี่หนักมากนะนี่ mm. ต้องได้ฝืนกันจริงๆสู้กันจริงก็ เ, เป็นาตาตไม่ใชเล่นนะนี่นะเอาจริงเอาจังยาไปมีความอะไรเสียดายกับอารมณ์อะไรเลยที่เกี่ยวกับว่าเป็นการมมรรเหลือให้หักฟันมันเข้าทันที อย่าไปอโ ร, รมณลึกคล้อยตามมันเป็นอันขาดนี่จะแพ้มันอย่างดลุดลุยเลยต้องฟันกันเข้าไปเลยฟันเข้าไปเลยนี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติพอจงกระทั้ง น, น่นเมล่อถงขั้นมันกล้าหาญเมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษ์เต็มกำลังภูมินี้แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญ แต่ความกระหันไม่อยากเดินผ่านแล้วคนธรรมดาเนี่ยจะเอาตั้งแต่ตัวสําคัญสาคัญที่รักมันชอบมันกําหนัดยินดีน่ะอืมมันเต็มอยู่เป็นร้อยๆน่ะบุกเข้าไปตรงกลางนี่เลยมันจ้ไมมีความกําหนัดยินดีอะไรเลยโน่นมันอาจหันในเวลามันถึงคิดถึงขั้นมันอาจหารมาหารเต็มที่นะแต่ความอาหารให้บึงทราบว่า มันยังอยู่ในขั้นยังอยู่ในขั้นทดลองเนี่ยไม่ใช่จริงจริงแต่พอถึงขั้นมันเต็มตัวของมันแล้วความมาถรรพ์ก็คือบ้านหนึ่งแหละวะนี <c oughs> เ่เป็นอย่งั้นนะพอรู้ชัดแนละ้วมันไม่กล้าไม่หานไม่กลัวมันจริงต่างอันต่างจริงรู้ชัดเจนต่อยนีเ่เป็นงั้นนะนี่กลางแนละ้วทีนี้มันเป็นกลางอันนั้นยังหน้าวหานแต่ ก, ก่อนก็กลัวนี่ออกมาเกิดความห้าวหาันนะ พลิกไปศูนย์กลางแล้วใช้ไมด้วยปัญญาชอบหายกล้าก็ไม่กล้ากลักลวก็ไม่กลัวทดลองทดลองอะไ ร, ร า, า, า, นนาจจยรู้ชัดเจนขาดสะบั้นภานจิตใจรู้ได้อย่างชาัดเจนตัดสะพานกันขาดรู้อยู่ในใจไม่มีเงื่อนต่อทีน่นี่รู้ได้ชัดนานเป็นท่านท่านนึนมาถ้ามอนเป็นเชนั้นแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องร่างกายแม้แต่ร่างกายเราเองมันยังไม่สนใจพิจารณา มันจะหมุนลงไปตั้งแต่นานมาทําอะไรที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารสัญญานา ม, มาทําเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนี่มันก็เป็นเวทนาของจิตเลยมากนะเวทนาของกายก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแล้วที่นี้นะมันจะเข้าเวทนาจิตมีสุข บ, บ้างมีทุกข์บ้างเล็กๆน้อยตามขั้นละเอียดของจิตมันก็จับเมื่อ น, นั้นมาพิจารณามันไม่ไปไหนแล้วทีนี้มันแคบเข้ามาแคบเข้ามาตัดลากปล่อยเข้ามามากๆแล้วคืยังเหลือแต่ลากแก้วจะโค้นมันนี่ ฟันข้างนั้นฟันข้างนี้เขามาตัดทางนั้นตัดครทางนี้เข้ามาจิตจะมีงานทําอยู่เพียงตอนนี้แค่เข้าไปแค่เข้าไปมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็โอ้ยมีตะกิดดวงเดียวอืแม้ไรก็มีติกิตดวงเดียวนอกนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็พรามันตัดปัญหาหมดแล้วมันจะเ อ, อะไรมามีก็ยังเหลือยอย่าเดีย ว, ยวสัมผัสผสัมพันธ์มีความดูดดื่นอยู่ในอจิตดวงเดียวนี้หมุนกันไปหมุนกันมาทิศกันไปทิศกันมาอย่างนั้นไม่ว่าอียาบทใด สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือฟาดกันลงในจุดนั้นซะจนแหลกไปเลยเป็นไอ้จางทุกขั้งาตาเหมือนกันหมดเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันหมดลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแล้วมันก็ขาดอีกมันอีกเป็นขั้นหนึ่งนะที่ว่าขาดในเรื่องของรูป น, นั้นเรื่องจนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุภาพสุภานั่งขาดสะบั้นไปแบบหนึ่งอันนี้ขาดสะบั้นไปอีกแบบหนึ่งขาดครัางนี้ไม่มีเกาะมีดอนขาดข้างนั้นมันยังมีเกาะ คือนี่คือกิจอันนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆมีกรารกิเลสเป็นต้นเข้าไม่ถึงกันขาดกันแล้วอ้าวคราวนี้ขาดตรงนี้แล้วขาดหมดไม่มีเกาะมีดอนเลยแล้วเป็นไงถ้าเราจะเที่ยบเวิ้งว้างหมดสัตว์บุคคลที่ไหนไ ม, มีว่ า, <ม> น, านั่นนั่นคือผลของการปฏิบัติด้วยความเอาจินเอาจังจึงให้เป็นหนักหน่วงจิต ทางด้านจิตใจให้มีความหนักแน่นในความภาพเปลี่ยนของตนอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสําคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสของเราด้วยความมีสติตั้งอยู่ทุไอยาบทไปไหนเดินพิทักษ์ก็เห็นคนก็สักแต่ว่าคนหน้าที่ของเราที่ทํางานของเราที่ทำอย่าปล่อยเห็มันจริงมันตังไปตลอดเวลานี่เหมาะสมเราให้กินให้จรงจิงอย่างนั้น งานจะอันนี้แหละผลของงานอันนี้จะสั้นสั้นเราจะเป็นส่วนบทของเราแน่นอนไม่ผมเร อ, อยากให้มันพ้นมือไปได้นักบวชเหล่านี้เป็นผู้เข้าสนามลบแล้วเพื่อชัยชนะมีหวังแล้วสำหรับนักบวชเราอันนี้ไม่ผู้ใดจะไม่มีหวังมากยิ่งกว่านักบวชซึ่งเป็นผู้มีโอกาสมากที่สุดยืนเดินนั่งนอนชีวิตจิตใ จ, จได้ทุ่มลงไป เพื่องานอันนี้หมดแล้วทําไมผลที่เพิงปรกาศชนาอันสุดยอดแตเราจะไม่ได้รับมีอย่างเลยครูบาอาจารย์ที่ให้อุบายแนะนำต่างสอนก็มีอยู่แล้วไม่เป็นที่สงสัยมันน่าจะภูมิใจในการปฏิบัติของเราเพียงลําพังเราที่ไม่เคยได้ยินจากครูจากกัมันสงสัยทั้งนั้นแหละเรียนมาทัาไหายจบพระไตรปิฎกก็เถอะหาความสงสัยหากิเลสตัณหาอาสวะตนเรียนมากรู้มากมันเลยมีถึงถ้งตัเรื่องกิเลสเต็มตัว ไม่สามารถจะมาแก้ตนได้ต้องอาศัยภูวาการที่เคยผ่านทางด้านปฏิบัติมาแล้วอย่างช่ำชอง ม, มาแนะนำต่างสอนมันก็ถูกตามจุดตามจุดตามจุดไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีผิดไม่มีสงสัยสุดท้ายนก็ไปได้โดยไม่ต้อ ง, งสงสัยเช่นเดียวกันอเอาแค่นี้ก่อนให้ด้านปัญญาทบ้าน่น